บุ๊กทูเจ็ดสิบแปดเคำคุณศัพท์หนึ่ง adjective it ผู้หญิงชาราหนึ่งคน In gamle kvinne ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน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 ชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุด in b l u ชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุด in r d คิวเลชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุด in g r n คิวเลกระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ in ัสเก้กระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบหน้าตาดีหลายคน่งเม s นสกคนสุภาพหลายคนผิวฟรีเมเนสก์คนน่าสนใจหลายคนน่าสนใจ เด็กน่ารัก s y d e b r n เด็กดื้อ Freike b r n เด็กดี a r t i e b r n